วัคที่หนึ่งเรื่องที่ 6. ก, การไม่สํารวมอินทรีย์พระพุทธภาษิตสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินดาริเยสุอสังวุตังโภชนาหิอมัตตันยุงกุสีตังหีนวิริยังตังเวปสหัตติมาโรวาโตรุกขังวะดุบบลังอสุภานุปัสสิงวิหรันตัง อินดาริเยสุสุสังบุตังโชนนำหิจะมัตตัญยุงสัตทางอารัตธวีรยังตังเวนะปัสหติมาโรวาโตเสลังวะปัปบะตังคนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างามอยู่ไม่สำรวมอินซีมีตาเป็นต้นไม่รู้จักในการบริโภค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 ความเกียจคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทําอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทําอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียจคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทํางานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียจคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียน ไม่อยากท่องบนสาธยายไม่เจริญสมณธรรมเช่นสมถะและวิปัสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วยความเกียดพลานเป็นอันตรายต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บันพชิตและคฤรืหัดเป็นหลุมพรางที่มานชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้ คนเกียร์ค้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตกสามคือการมวิตกการตรึกถึงกามพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียรเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับจับวางๆไม่มีความเพียรอันมั่นคงทาอะไรจับจด ทำความเพียนแบบการเดินของกิ้งต่าคือเดินๆหยุดๆไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือ ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรีย์หกรู้จักประมาณในโพชนาะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมารย่อมย่ำหยีไม่ได้มีคำที่ควรอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งโลกิยะศรัทธาและโลกุตระศรัทธา โลกียสศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหน้าโลกุตระศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยอันหนึ่งโลกุตรสศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรื่องประกอบ พระจุลกาลและพระมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตพยานครพระจุลกาลและมหาการเป็นชาวเสตพยานครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลกาลมัชฌิมการและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลการมากต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับก็ซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตพยานครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตพยานครคือมัชิมการคนกลางราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถี หลดเวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเข้าไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปพิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปรรยายเป็นอันมากทรงตล่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขัน และจบลงด้วยอริยสัจส์่เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลคคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่า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 พระมหาการตกลงใจทาประการที่สองคือวิปัสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโซสานิกะทุดงควัดคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหาร ครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครหนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชชิมยามจึงเข้าไปไหว้แล้วพูดว่า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 ควรบอกผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตี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 ส่วนพระจุลาการพุทธลูกผุทนั่งรันจวนถึงคารวาสวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยามีอาจบำเพ็ญสมณธรรมจุลาการคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้า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 เมื่อเอาศพไปเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึง่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม่อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการพระมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่ โ, โคด่างเท้าทั้งสองงองอิกห้อยลงมือทั้งสองกาเข้า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 พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายหลังจากพระมหากาลสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จสู่เสตตัพญานครเสด็จประทับณป่าประดูลายพันรยาสองคนของพระจุลกาลได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลกาลพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทยิ่งนัก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 คือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลกาลให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงพันรยาเห็นพระจุลกาลมา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 ท่านควรจะมาปูอัสนสะเสเองเที่ยวทําอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทําไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลกาลออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อ ด, ดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลกาลซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลกาลดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึก จึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาสเสวยเสร็จพันรายาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อพันรายาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์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 เหลืออยู่เฉพาะพระมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศ า, าสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบหนอจึงทรงกระทาเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรัรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลกาลบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนา หญิงเหล่านั้นจากทาอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้แลหรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลการกับมหาการนั้นผิดกันจุลการผุดลูกผุดนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอก็เกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพล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 ล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาสิทธิ์กับภิกษุทั้งหลายจบพอดี